อัานศาสดาท่านพริธรรมดิจจงหลายวันที่บันทึกนี้เป็นวันที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบสามทาี่บอกวันเดือนปีเราจะเพราะว่าจะได้ทราบว่าเรื่องราวต่างๆที่กล่าวต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของความสัสบสนของสมองแต่ก็เป็นเรื่องความจริงใจเขาบอกคนพวกหนึ่งที่เรียกว่า ท่านคณะจิตวิทยาสำหรับคณะจิตวิทยานี่ใช้จิตเป็นกำลังงานทำงานด้วยกำลังของจิตจิตมีสกภาพ่วดเร็วถ้าไปได้ทุกขนทุกแห่งแม้แต่ในที่ปิดบงังรับฟื้ก็สามารถจะไปได้เรื่องนี้ก็ไม่ขออธิบายทึ้งคืนอธิบายก็เฟื่อแสดงความว่าวันนี้ จะคุยกันเรื่องดาวหลุมดำคำว่าดาวหลุมดำนี่เรื่องความเป็นมาเป็นอย่างนี้ผู้พูดเออผู้เขียนเองก็ไม่ทราบมาก่อนเมื่อวันที่ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยสามิสามเดินทางเข้าไปกรุงเทพไปและที่บ้านท่านพลอากาศเอกอาธรโรจนวิภาตอดีตรองเสนาธิการทหาร แห่งกองประชาการทหารสูงสุดในตอนหนึ่งท่านคุยให้ฟังว่าเวลานี้ฝรั่งเขากําลังสนใจเรื่องถุงดำํำคําว่าถุงดําก็หมายความเป็นดวงดาวดวงหนึ่งในาอากาศที่สภาพเป็นถุงและบรรดาดาวทั้งหลายเข้าไปใกล้มันก็โดดเข้าไปหมดแม้แต่แสงสีต่างๆที่เข้าไปใกล้มันก็โดดเข้าไปหมด เวลาที่โดดเข้าไปก็าหายเข้าไปเลยเมื่อท่านพูดอย่างนี้ความรู้สึกเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่าผิวของดวงดาวดวงนี้ด้านหน้ากร้านมากและก็มีความร้อนพอสมควรไม่ใช่มีความร้อนอย่างแสงอาทิตย์คือเรียว่าร้อนก็ถ้าหากว่าสัตว์ที่มีชีวิตสามารถจะทนความร้อนนั้นได้ ถ้าจะเปรียบเทียบกันจริงๆความร้อนเขาดานหน้าเขาโด่งดาวด่วงนี้ถ้าจะเทียบกับตบวันออกกลางก็งจะร้อนกว่าตะวันออกกลางนิดหน่อยร้อนกว่าไม่เกินสิบอ ง, งศาเซลเกียสเทียบเทียบวันออกกลางนะเอาเฉพาะอย่างนี้อียิปก็แล้วกันดจะร้อนกว่าอียิปต์ไม่เกินสิบอ ง, งศาเซลเซี่สเรียกว่าพอทนกันได้ อมาเมื่อเดินทางมาถึงสอยสยรยมท่านบ้านท่านพลอากาศโทหมอไม่วงเสริมจักหวัดพวกพูดเองก็ป่วยรอรับการให้ยังเกลือจากแทยเวลานั้นก็มีแพทย์คือมีหมออ่หมอมนตรีหมอมนตรีนี่สักุคว่ายังไงก็จำไม่ค่อยจะได้แล้วน ะ, ะหมอมนตรีอมรที่เชิยกุลนีพรนุษ เร่งขงดีเขาจบไปให้มีหมอพนตรีมาคอยก่อนแล้วก็ต่อมามีหมอแสงสมคือแพทยหญิงแสงสมปิยะพระราพรมาต่อมาก็มีหลพ่อเจรุนปิยะพระราพรผู้สามีของแพทย์จงแพทยหญิงสมแสงสมแสงสมมายศแสงสมนี่พูดพูดไม่พอถนัดไม่จะเรียกเธอหญิง ก็เป็นนั้นว่าหมอที่รักษาตัวอยู่จริงๆก็คือในแพทย์จโรุ่นพิยะพระราพรแพทย์หญิงแสงสมพิยะพระาพรพันยาแพทย์ชนะชริยานนสําหรับแพทย์ใจรุ่นแพทย์แสงสมนี่เป็นเป็นหมอประจําให้ยาเป็นปกติหมอชนะนี่เรียกคนหมอญี่ปุ่นไปเดียนญี่ปุ่นมาสายหลังตอนหลังไปเดิยนต่อที่ญี่ปุ่น นี่เป็นหมอคอจมกูกหูลูกตาด้วยเปล่าไม่ทราบกับท่านในแพทย์วัฒนะทิตต์บิลกสองคนนี่เป็นตุกษะอาจารย์กันไหมความเป็นหมอที่ชื่อสีราษฎร์ไหมกันเป็นป้ายคอจมกูกหูสำหรับในแพทย์มนตรีนี่เดิมใบจําอยู่ที่ปากของศาลคงจะทราบว่าเป็นหมอชนิดไหนในเวลานี้ก็มาอยู่ที่ โรงพยาบาลศีรษะัญญากลวงความว่าได้ใครคิดว่าผู้พูดหรือผู้เขียจะบ้าก็ไม่เป็นไรเพราะมีหมอบ้าประจำอยู่แล้วหมอรักษาบ้านนะไม่ใช่หมอบ้านะแล้วก็แพทย์หญิงพงษ์พักดีปู๊ อ, อะไรเ จ, จ้าดะเจสสิเจ้าเจ้าดะเจสรินอันนี้ก็คนนี้ามปกติเป็นหมอนวด มาจำไม่เข็มนวดเดิมือเขาเป็นแพทย์กันเป็นคนหมอห้าหมอดมยาเหมือนกันเช่นเดียวกับหมอเฉียงสมแต่ว่าใช้เข็มนวดคือเข็มจิ้มเป็นหมอฝังเข็มอาลมาเลยให้สมยาเป็หมอโนดเพราะว่าปวดเมื่อยที่ไหนถ้าหมอคนนี้ปากเข็มให้เป็นหายกันทันทีใช้เวลาไม่เกินยี่สิบนาทีแล้วจะมีพันตรีนพพรกับพแพทย์หญิงเกินใจสิงห์สุภานครสวรรค์นี่เป็น ก, นกองทหารนครสวรรค์อีกสองคนประจํา แล้วก็มีหมอโอคำว่าหมอโอนี่อา จ, จมาเรียกหมอโอแต่ชื่อจึงอาจารย์บุภาชาติคงอดิศเป็นคนขับรถให้แล้วก็เป็นหมอยาไทยตอนนี้เนี่ยเมื่อไปพบหมอบนตรีกับหมอทุกคนแล้วก็เป็นว่าสำหรับหมอหมอนคนขนยามามากที่สุดก็คือหมอหมอวัฒนะจะจะมาชอบเรียองกระติขน ว, ว่าเวนัเวลาอะไรถ่ายก็ตามหมอวัฒนก็ขนมาหมอนคนนึ่งเอามาให้แต่หมอวัฒนขนมากน่อยเมื่อพบหมอวันตีก็คุยกันถึงเรื่องเจ้าเจ้าถุงดำในอากาศหมอวันตรีอธิบายตามตัง้งใจที่ว่ามาชื่อการพรักอากาศเอกทอนพูดมาเหมือนกันหลังจากนั้นก็ไม่ได้ขนใจต่อมาเมื่อวันที่สิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิสาม ก็ฟันมันเป็นหนองที่รากฟันหมอเตือนใจรักษาแมานๆทามาเกิดบสิบเที่ยวก็ค่อยๆโคดค่อยๆดูดเอาน้องเขาก็แฉเอาน้องออกความจริงพวกพูดก็อยากแค่ก็ถอนทิ้งไปเพราะของไม่ดีไม่อยากจะได้แอ่หมอบอกติดายฟันถ้าเกินด้วยสายจริงๆเนี่ยจริ ง, ร ง, ร ง, รงอันนี้เป็นเวลาของหมอปกติอย่างนั้นหมอตจะรักษาของเดิมมาให้ได้แต่เจ้าของของไม่อยากจะเก็บไว้เพราะมันปวด นี so Instead, it, it, mm so ่หมอเตือนใจมาทําให้เกือบสึกเที่ยวแล้วเธอก็ขับรถมานั่งรถหมอโอมาและทุกสิ่งทุกอย่างหมอก็ออกทั้งหมดโอออกทั้งหมดผู้พูดและผู้พูดทึกหนี่เมื่อพูดเขียนไม่ได้เอาตังค์เลยก็เป็นนั้นว่าสําหรับแพทย์ปันก็มีหมอจํานนอีกคนหนึ่งหมอจํานนนี่ก็สําคัญมากช่วยเสริมอาการกันก่อนเวลานี้ยังเป็นปกติ แล้วก็ยกข้าวบนมาช่วยบรรดาฟันเด็กแล้วฟันคนแก่คนหนุ่มคนสาว ก, ก็ตามยกมาครั้งหนึ่งก็ฟรีทุกอย่างฟรีเหมือนกันนอกจากฟรีหมอที่มาสงเคราะห์นณะพวกพูดมากนี้คนฟุ้งเี่นะ่ะโดยมากเขาไม่รักษ า, สาเสยก็ให้สตังค์ด้วยก็เลยเอาหมอประเทศนี้ชอบแล้วก็ชอบมากฟันจูหมอที่ช่วยนั้นมีมากตั้งแต่เริ่มต้นฟันมน อากาศรีอะไรละ่ะนนมั น, นี่จากเดินพืดออีกแล้วนึกไม่ออกแล้วก็ต่อมาก็พลตบรวจโทรสมสศักดิ์เสดังวนก็ท่านทำการรักษามาเรื่อยมาหลายยะมามากโดยกันหลายคนเยอะก็รวมความเอางี้กันพูดมากไปแล้วหมดเวลาไปแนละ้แปดนาทียิบ <c oughs> นาที เมื่อวันที่10เอดมกราคคม2533ขณะที่หมอเตือนใจกำลังโขดฟันอยู่โดดล้องน้องน้องขณะที่เขาโขดไปเดาโดดน้องก็มีความรู้สึกว่าขึ้นชื่อว่าความตายมันเป็นของหาไม่ยากชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง <c oughs> บางคนก็ตายเพราเหตุที่ไม่ควรจะตายแตะต้องนิดหน่อยก็ตายลังาระมันมา ในเวลานี้การทําฟันโดดหนองมันโปวดหมือเขียวดีไม่ดีระบบประสาทอาจจะตัดชีวิตของเราก็ได้ก็คิดจะมาในใจชั่าขึ้นชื่อว่าชีวิตมันต้องตายจะตายเวลานี้ก็ตายจะตายเวลาอื่นก็ตายทําท่าเก่งไปอยางานอื่นคนกินก็กลัวตายแต่ในจิตคิดว่าเวลานี้ถ้ามันจะตายเราก็ไปก่อนสร้างกายตายทีหลังเราจะไปก่อน ก็รวรวมกําลังใจจากอนาปานุสติ <c oughs> กับอุปสมาม า, านุสต <c oughs> ิกรรมฐานคาว่าอุปสมมานุสติหมายให้นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์จะไปนิพพานได้หรือไม่ได้แตวก็ไปอย่างคนอยากไปนิพพานในเมื่อเราเป็นคนอยากเสักหนึ่งไม่อยากนำมะเข้ามาก็ต้องถึงเองไม่ไม่ละความอยาก ใครก็ยับอกว่าความอยากเป็นกินเลสก็เป็นเรื่องของเขาที่เลส ข, ของเขาไม่ธรรมะของเราเราอยากปณิพันธ์แต่ตาม น, นักเทศน์เทศาการอยากปณิพาน์ถือว่าธรรมฉันทะจึงมีความพอใจในธรรมไม่ใช่กิเลสคนตั้งแล้วก็เถียงกันเองก็แล้วกันใครจะว่ายังไงก็ช่างนีคนพูดคนเขียนต้องสร้างทำพูดตามคว า, ามพอใจของตนเองจะรอคนอื่นไม่ได้ เราพูดมันไม่ได้พูดไม่ได้เขียนขณะที่รวบร่นกาลังใจเวลานั้นจิตจะตกพวกเข้าสู่อารมณ์งสงัดจิตมีอารมณ์เยือกเยน็นเห็นท่านพ่ ม, มีคุณมากมายแ พ, พลพาเปรยัดก็ปรากฏ ล, ล้อมอยู่ท่านยื้มแ ย, ย้มจจ่มใสตลอดยังไม่ตายคนยังไม่ตายเจ้าบอกท่านว่าจะตายหรือไม่ตายก็ไม่ทราบขอไปที่อยู่ก่อน ท่านก็บอกตามใจเรื่องคนที่ขาดผัดคอไม่ได้อยากจะไปก็เชิญไปเถอะก็แปลว่าท่านจะเชิญมันไม่เชิญผู้ผู้ก็ไปแล้วนึกแวบเดียวแวบไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวกราบท่านบอกว่าเดี๋ยวขอไปบ้านพักทางหมอกําลังทำฟันแม่ท่าน ก, ก็บอกว่าทําไมขี้ขาดแบบนี้ละ่ะก็เลยบอกทว่าคนที่อยากจะไปนิพพานเป็นคนที่ขาดเลย ท่าก็เลยบอกว่าไอเดาปากแข็งเถียงสิ่งประเด็ของคุณไปไปไปไปไปนั้นก็ไปไปไปได้ออยู่ที่นี่อยู่ก็ทะเลาะกันไปทะเลาะมาหมอก็ทําเสร็จไม่จะไปนิพพานถ้าท่านพ่อถามจะไปนิพพานนี้ก็บอกเปล่าใจมันอยากไปนิพพานแต่ว่าจริงๆมันจะไปได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบเขาช่งเพรามันถ้าท่านถามว่าจะไปไหนก็บอกก็บอกกับท่านบอกว่าจะไปบ้าน ถ้าเจอบ้านเขาสร้างไว้ให้ที่ไหนจะไปที่นั่ น, ท, น, นท่านก็ยิ้มท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะไปด้วยชวนแม่เขาด้วยสิเวลายกมือไหว้แม่ท่านแม่จะบอกอถ้าอย่างนั้นแม่ก็ไปด้วย <c oughs> ในเมื่อไปถึงก็มีบ้านอยู่สามหลังแพร่ร้าเป็นยับมีกำแพงแก้วกระป๋องทองอม่แม่อธิบายแล้วมันสวยกอะไรกันเข้าไปนั่งก็คิดในใจจะบอกท่านพ่อท่านแม่บอกว่าเวลานี้ มันอยากจะนั่งคนเดียวให้ลมจิตมีความสงบได้ก็บอกว่าคุณก็สงบแล้วคําว่าสงบไมได้หมายความว่าไม่ได้คิดอะไรเลยมันคิดเฉพาะนิพพานอย่างเดียวตัดทุกอย่างสับประบิไม่คิดแต่นี่เรียกว่าสงบสงบจากกิเลสเฉพาะอารมณ์เวลานี้ได้ก็บอกว่าถ้าเป็นความประสงค์ของคนคนนั่งตรงนี้หรือบ้านหลังนี้นะพ่อจะบอกว่าพ่อก็จะไปนั่งที่โน่นที่แค้นแก้ว ขอบใจแล้วก็เรียกแม่บอกแม่มาเถอะเด็กปล่อยเขาลูกชายคนนี้นิสัยเปยังไงแม่ก็แม่เลีเ้ยงมาก็ยังพู้อยู่แล้วท่านแม่จะเลยบอกว่าแค่นั้นแหละเด็กก็แค่นั้นแหละนมก็แค่นั้นแหละแกก็แค่นั้นแหละเีลาไม่ต่างจากเดินนั่งตามสบายนะจ๊ะแม่จะไปละแล้ว แ, ลแม่ทงออกไปก็แม่ไปไปเดี๋ยวเดียวท่าอึดใจไม่ถึงดี คนแก่ไปสองแก่พ่อก็แก่แม่ก็แก่แท้จริงแก่ตันลักษณะที่เราเรียกกันนัน้แต่จริงๆทำไม่แก่ตอนนี้มากลุ่มสาวๆมาหนักกว่านั้นกว่าสิบคนแต่งตัวแพร่ประชาประยับมาถึงไม่ต้อง ร, รอไว้พนะื่อขออนุญาตยงอง้ามาเลยฉันปับนั่งบนที่นั่งเคยบอกว่านี่ผู้หญิงไปบ้านนี้ไม่รับผู้หญิงนะจ๊ะ เธอที่ไปหัวหน้าก็บอกว่าถ้าไม่รับผู้หญิงก็ไม่เป็นไรพวกฉันไม่ใช่ผู้หญิงแต่ถามว่าเธอเป็นกระเทยเลสเธอเตอว่าฉันไม่ใช่กระเธยถามว่าเป็นบันดาลหรือไม่บันดาลมันมีเพศสงเพศทั้งเพศผู้หญิงและเพศผู้ชายเธอก็บอกว่าไม่ใช่ก็ถามว่าเป็ น, น, น, น ผ, ผู้ชายหรือเธอบอกว่าใช่ถามว่าเป็นอะไรเธอตอบว่าคนพวกฉันทั้งหมดที่มาไม่มีอะไรเป็นเพศ ไม่มีทั้งผู้หญิงไม่มีทั้งผู้ชายไม่มีทั้งะเธอไม่มีทั้งมันดาไม่มีทั้งหมดก็เลยถามได้ว่าถ้าเธอไม่เป็นกระเทยอสียงนี้เขาเรกกระทุยใช่ไหมเธอหันมายินมทางกระทุยเป็ยังไงก็เปรี้เที่ยวไปฟังเหมือนควายควายเขาควายเขาไม่กลางออกให้จบกลางถ้าควายว่าเขาลอมเข้ามาเรียกว่าลอมั้าหลบว่า้างล่างเขาใช้อะไรมันด้ก็ทุยนี่พวกเธอก็นไม่กันไม่มีอะไรจะใช้ในเรื่องเพศ ก, ก, ก, ก, ก็เรียกไปพูดคุยกันเลยกันเธอก็ตอบว่าช่างอะไรเรื่องยังไงก็ช่างร่างของฉันไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้จบกันเมื่อขานาดนั่งคุยไปเดี๋ยวเธอถามว่าเห็นโทมมะโลกไหมมองลงต่ำก็มองลงดูตามเธอเห็นโทมมโลกเธอถามต่อไปว่าเห็นสวรรค์ไหมก็มองดูต่ำตไปเห็นสวรรค์ หลังจากนั้นเธอถามว่าเห็นจักรวาลต่างๆไหมที่เรียกว่าจักรวาลมนุษย์มีมนุษย์อยู่เต่มีไม่อยู่ทุกจุดมองลงมามันเกลื่อนกลาดสปมดเหมือนกับผลส้มสลอยเกลื่อนในอากาศ <c oughs> ถ้าจะนับก็คงจะนับได้แต่ไม่กล้าจะนับไม่มีเวลาจะนับมันมา ก, กเหลือเกินลอยห่างกันบ้างใกล้กันบ้างไปเฉพาะอย่างยิ่งเธก็ะชี้ดูว่าจุดเล็กๆจุดน้อยไกลสุดตรงไป มันเป็นจุดที่คนมีชีวิตอยู่ที่นั่นนั่นหมอกําลังทําร่างกายอยู่กําลังแฉไปกำลังโดดหลองคุณเห็นไหมก็ตอาก็เพว่าเห็นมาไกลมากเนื้อกลุ่มที่ลอยมาใกล้ๆอย่างโรคไข้จางก็ดีโรคคันคันก็ดีโรกควาสุขโรกเวื่อให้ก็ตามมันอยู่ใกล้ๆกลุ่มนั้นถ้าเหนือขึ้นมาอีกมากมายสูงสุดมีโรกเกรงกาดที่เรียกกันว่าดวงดาวมันเซื่องๆกลัดไปหมดมาสูงกันนั้นมาก แต่สิ่งที่ไอ้คุยอยางนี้ว่าดูไอ้ดวงดาวสักดวงหนึ่งมันไม่ใช่ดาวมันเป็นโลกแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเขาไดกถุงมันเป็นถุงดําลอยอยู่เกือบจะเป็นถิวอวกาศเคยเป็นถือจั ก, กรวาลสูงสุดมันดวงใหญ่มากเขาก็เปรียบเทียบเลยฟังว่าโลกมนุษย์มีสภาพเหมือนกับผลส้มมะนาว ไอ้เจ้าโลกถุงดำนี่มันก็มีสภาพมันก็พร้อมใหญ่ๆท้อมใส่ข้าวแค่ความใหญ่ของมันถ้าจะโรคเมื่อเข้ามาลอยภายในท้องของมันจกักประมาณสักพันดวงนี่ยังไม่ถึงไหนอะนั่นใหญ่โตมากก็ถามด้วยว่านั่นมันเป็นเรื่องของอนิจจังเช่ไหมคือต่อไปใช่ก็ถามว่าให้ฉันดูทําไมบต่เวลานี้นักวิยาศาสตร์เขาสนใจเจ้าถุงดำนี่เขาเรียกถุงดำ ได้ความกินมันไม่เคยทงธรรมดามันเป็นโลกขายจะค้ายจะส้มฝังกลางทิ้งไปส่วนหนึ่งทิ้งไปอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้มีสภาพเหมือนกับช้ายความลงกลางมันโผลขึ้นเป็นทางมันเป็นช่องใหญ่มากด้านหน้ามันแกข่งด้านข้างบนนี้เป็นพื้นปีพบท้งคนอยู่มีม่ไอซ์มดมีประเทศชาติมีทุกอย่างอย่างโลกก็มีกัน แต่ว่าชาวโลกโลกนี้รู้สึกว่าแปลกกับมนุษย์โลกที่เรามีชีวิตอยู่เพราะมนุษย์โลกศีลห้าไม่ค่อยจะทบหาคนครบศีลห้ายากแต่โลกนี้เป็นโลกการมโบสถิตถ้ารักษากรมกรมโบสถิตจะทรบโทษพอเธอพูดจบที่นี้ปรากฏพระท่านมาพระนี่เป็นพระใหญ่มากที่มีความเคารพถือท่านมากเขาจะถามว่าอยากจะไปชมโลกนี้ไหม ก็กล่าวไปงานท่านบอกอยากชมเพราะว่าน้องสาวเพิ่งพูดไปฟังเดี๋นี้เองความจริงในรุ่งก่อนแต่จะบอกว่าเธอเวลานี้ไม่มีความสนใจอะไรแล้วใช่ไหมจะหวันก็ดีพอมัโลกก็ดีอะไรก็ตามเงียบหมดจุดหม ด, ด, หมดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันอยากทุกอย่างอยากรู้นั่นอยากรู้นี่ไปโลกนั้นไปโลกนี้ไปที่นอนเวลานี้เงียบสงบ ถ้าไม่จนตัวจนใจจริงก็ไม่ไปไม่อยากจะรู้ใช่ไหมก็ตอบก็ไม่ใช่เพราะว่าก็เลยกล่าวเรียนท่านบอกว่ามันไม่เกิดประโยชน์รู้ไปก็แค่นั้นมันก็แก่ทุกวันร่างกายก็เป็นไปทุกกาวพนาท่านบอกว่า<ม>ก่อนที่มันจะตายรู้สักหน่อยสิ จ, กจะกวาดทั้งหมดนั่นน่าจะรู้ก็เลยบอกเท่าไม่เอาแล้วขอถวายบังคมลาเรื่องรู้แบบนี้เอาจะเพราะจุดถ้าท่านเห็นว่าคนก็อาจจะรู้ ให้บว่าโลกนี้คน <c oughs> แล้วก็ยังมีหลายโลกอยู่ระดับเดียวกันคนจะรู้อย่างยิ่งเพราะว่าเป็นโลกทั้งๆมี่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้อะไรเลยค ว, วามจริงเขาก็ใจว่าเป็นผงดำ <c oughs> และเกลือนดวงดาวต่างๆไม่ได้แสงสีเข้าไปก็มองเห็นไอ้เรื่นความจริงมันไม่ได้เกินสภาว่าของมันจริงๆเดี๋ยวไปดูกันกั น, กน เมื่อท่านพูดจบทุกคนลุกขึ้นทุกคนก็ลุกพร้อมกันท่านพ่อท่านแม่ก็มาด้วยพอท่านก้าวนาหน้าทุกคนก้าวก้าวเดียวก็ถึงพอถึงแล้วก็ไปยืนอยู่หลังโลกขอบขอบกับวิมหมายความว่าหางจากปากช่องปากทางเข้าข้างล่างจริงไม่เกินหนึ่งโยกก็พยายามเดินไปเดินมาไม่โขระทุกอย่างโขระไปโคดโคดรสูงสูงโคดต่ำต่ เพื่นพบเหมือนกับดินไม้แค่ภาพเหมือนดินไม้จะไม่แข็งจัดดูแลมันแข็งเหมือนกับดินผสมเหล็กพอเดินไปได้หน่อยหนึ่งพระจะมาบอกว่าคุณถ้าคุณขืนเดินอย่างนี้น่ะอย่าลืมว่าโลกนี้มันโตกว่าโลกมนุษย์หลายพันเท่าถ้าคุณเดินอย่างนี้กี่ชีวิตของคนมันก็เดินไม่จบถ้าเราเดินกัแบบที่เดินมาก็่าไรกันพระสารทจะไปไหน ท่านบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปดูกันแค่ก่อนเลยเรื่องจริงๆเราเลียวไปที่อื่นก่อนวันนี้เขาตัดเข้าไปหาเลยไอหาจุดนี้ซึ่งมันเป็นจุดเดิมจุดจริงๆน <c oughs> แล้วก็เป็นจุดที่ผูดเด็เต็มป่ากเต็มคอแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องไม่ค่อยจริงเป็นนิทานตอนนี้เป็นเรื่องเล่าให้ฟังธรรมดาธรรมดาม่ใช่นิทานเป็นอารมณ์เคลิม้มอารมณ์เคลิ้มยี่ไม่แน่นอนนักนะ <c oughs> ถ้าเชื่อมดีก็ดีไม่ดึงก็บ้าไปเลยจะไม่กลัวบ้าเราเพราะมีหมอบรรเทาศักษาหมอโรงพยาบาลบ้านมีอยู่รักษาซักอยู่ทั้งต้องสองที่บานทขาเก่งเมื่อปราบโรงพยาบาลปราบโครงสารมาได้แล้วก็มาปราบที่สีบทั้งยาก็ยังจะปราบอยู่คนวัดถ้าสงฆ์คนคือคนพูดไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวบ้าก็เดินอีกเก้าเดือวก็ไปถึงปากโลกมันมีสภาพเหมือนกระทะความ หรือว่ามีสภาพเหมือนผลมอะไรละ่ะผลผลส้มและผลแตงโอถูกตัดกลางตัดเอาส่วนของหัวทึ้งไปส่วนขอหางไว้และส่วนงหางทิ้งไปของหัวก็ได้เป็นความแบบนั้นทาไมกลงโบว์แต่ย้นึกว่าความกลวงผิวจะบางนะผิวมันเป็นแผ่นดินหมาเป็นโยธถ้าอธิบายฟังจะบอกเข้าไปดูมไหม นันบอกเขาเราเรียกว่าหลุมดําหรือว่าอะไรเนี่ยหลุมดําดำเนี่ยชวันท่อปสัสยมันดําให้ความไหมของดินเนี่ยมันดําจริงๆสภาพมันดําเป็นดินไหมถ้าแข็งจัดก็มองไปดูรอบๆมองไปดูทางซ้ายเวลานั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมองไปดูทางซ้ายท่านศึกษาทา ง, งชีววิทยาบอกว่าโน่นอีกโลกหนึ่งเลยอีกโลกหนึ่งถ้าด้าสองโลกนี้ถ้ามีสภาพเต็ม ไม่ใช่ครึ่งโลกแลบวบกลางเหมือนเหมือโลกนี้แต่ว่าเราจะไปกทีหลังวันนี้คุณจะเรื่องนี้โลกตรงนี้โลกนี้ก่อนแต่จะบอกว่าโลกนี้กลางกลางมันโบมันมีความร้อนปอดร้อนเข้าไปดูไหมก็เลยบอกกับท่านบอกว่าขอเข้าไปดูทั้งหมดก็เข้าไปพร้อมกันพอเข้าไปภายในโลกนั้นตกใจมันเวงวางเหมือนกับฟ้า เฉพาะตาตาเนื้อธรรมดาไม่มีนโอกาสจะเห็นขอบฟ้าได้เลยอันนี้เรียเป็นตาลมลมก็หยาบไปไป็นต า, าจาบไอา้กายก็หยาบไปเป็นตาละเอียดสามารถจะมองอะไรถึงไหนก็ได้จากวันนี้จากรวันไหนจากนรกถึงนิพันธ์ก็สามารถจะมองได้จากนิพันธ์จากถึงนรกก็สามารถจะมองได้เพราะเวลาที่พูดนะั้นเป็นเวลาเป็นที ก็ภาพนั้นเป็นภาพของผีไม่ใช่คนทิ้งคนไว้ข้างล่างผีขึ้นไปข้างบนนี่ก็มองไปมองมาก็ไม่พบอะไรเข้าไปภายในอากาศก็ดีแทนบอกนีจะภาพดีมากในกา ร, รดึงโดดของอากาศในของกา ร, รดึงโดดของของของแผ่นดินก็ดีมากก็เหมือนกับโลกธรมธรมดาธรรมดาไม่มีอะไรผิดแกเรียกว่าสนญญอากาศไม่ได้ยังมีอากาศอยู่ แล้วภายในนั้นมีอะไรทราบไหมในนั้นแปลกว่าดวงดาวต่างๆเท่าที่มองเห็นที่มองไม่เห็นก็ไม่ทราบมันมีอยู่เกินสามร้อยดวงไอ้เจ้าดวงดาวนั้นมันก็คล้ายๆกับผลมันนาเล็กๆอยู่ในพร้อมใหญ่ๆนั่นเองมันก็ลอยอยู่ในนั้นดวงดาวบางดวงก็มีแสงสว่างจะทาให้ในท้องเขาโลกดําหรือถุงดําเนี่ยดวงดาวดํา เรียกว่าโลกดำดีกว่าในท้องของโลกดํามันก็สว่างบางจุดก็สว่างจ้ามันก็แสงไฟฟ้าที่สว่างบางจุดที่ไกลออกไปก็เป็แสงสว่างสลสโลว์ก็ลงความว่าทั้งท้องของดาวดวงนี้ภายในสว่างจริงๆไม่ใช่มืดแต่ที่ฝรั่งบอกว่ามืดเพระมสสระัสุดสายตาของฝรั่งสุดสายตาของกล้องระยะของกล้อง คือกล้องไม่สามารถจะมองเข้าไปในได้ถ้าเปรียบเทียบกันมืนกับถังเขาถ้ำถ้ำใหญ่ๆของพวกเขาลูกใดลูกหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเราถ้าเราอยืนอยู่ไกลาจากถ้ำลูกนั้นประมาณรักสิกิโลเมตรเราจะมองเห็นปากถา้ำรู้สึกมันมืดภายในก็รเรไม่เหแสงสว่างถ้าเข้าไปใกล้ถึงถ้ำนั้นจะทราบว่าภายในถน้ำมันมีแสงสว่าง ตอนนี้พระท่านอาธิบายฟังพระก็เท่าที่พอรังมีความเข้าใจมีความรู้สึกจะเชื่อมันว่าดวงดาวต่างๆที่เข้ามาในในในใน ใ, นในท้องขลกนี้ในถุงต้องจริงในอถุงมันท้องขลกเข้ามาในท้องโลกนี้มันเกลื่นหายไปหมดแล้วแสงต่างๆกลื่นหายหมดมองไม่เห็นแต่ความจริงมันไม่ได้เกลื่อน เจ้าดวงดาวต่างๆที่เข้ามานะมันไม่มีโอกาสออกไม่ใช่เข้าได้อยู่เลยเพราะดวงดาวต่างๆเว่าโลกก็าตามมันไม่มีกําลังขับเครื่องของมันเองมันลอยไปตามกําลังของอากาศที่ดันมันเข้าไปก็าถามว่าถ้าดวงดาวประดวงนี้ไม่โดดเขาเขาจะเข้ามาอย่างไงท่านจะบอกว่าก็นดวงนั้นว่าเหม็นน้ําที่มีน้ําหลายเขี้ยว แต่ว่ามีถ้ำเจอระเทลึกเข้ามากข้างในเป็นกิโลแล้วเป็นถ้ำใหญ่มากอยู่ข้างด้านใดด้านเองด้านนั้นจะมีน้ําบนพรามน้ำที่ไหลมาจะไหลเข้าไปในถ้าก่อนแล้วก็โหนออกมาด้านหน้าถ้าจะเป็นน้ําบนเมื่อเป็นน้ำบนแล้วก็โยญาติต่างๆก็จะไม่ไหลไปไหนเย่วนอยู่ข้างหน้าบ้างจะพบ่งเข้าไปในถ้าบางคนที่ไหลเข้าไปในถ้ำนั้นไหลออกมาในภายหลังมันก็ใช้เวลาช้าหน่อยอรบันดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่าน แยว่าไปอีกนิดมันก็ไม่ไหวแล้วเหลือเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีก็ลาะลาก่อนขอความสุขสวัสิิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์บนผลจงมีแด่ท่านพระศาสนาชนผู้ฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี